เรื่องเสร็จไปเจอข่าวเช้อใช้ช่วยให้ได้ชี้ครบทุกข้อที่จะพึงชัดเมื่อเรื่องข้างต้นเกิดขึ้นในปีพุทธศักราช2552นั้นอาตมามีสภาพร่างกายเสื่อมสุดลงสุดลงอย่างมากมเนื่องจากปอดที่เสียหายจากวันโรคเมื่อหลายสิบปีก่อนโน้นถูกความเสื่อมของวัยซ้ำเติมเช่นมีอาการไอรุนแรงทั้งวันทั้งคืน จึงเริ่มออกไปพักอาศัยในถิ่นชนบทห่างไกลจนในที่สุดก็ไม่ได้อยู่ที่วัดยาณเวสกวันถึงบัดนี้หลายปีแล้วโดยไม่ค่อยได้ทราบเหตุการณ์ที่เป็นไปต่างๆครั้นถึงปลายปี 2,557 ที่เพิ่งผ่านไปท่านที่เป็นเจ้าของงานถ่ายทารายการธรรมะของทีวีช่องเจ็ดสีติดต่อบอกไปว่าอัตมาขอตัว ละผัดเพี้ยนมาเกือบสิบปีแล้วถึงบัดนี้ท่านใกล้จะพ้นการต่อเวลากเกษียณอายุงานจึงขอให้พูดอวยพรปีใหม่ 2,558 เป็นอันต้องฉลองน้ำใจของท่านผู้ทำงานแล้วท่านก็พาคณะไปถ่ายทำในรายการคราวนั้นมีการถามปัญหาบางอย่างด้วยปัญหาข้อหนึ่งคือบอกว่ามีผู้ทำหนังสือเอาเฉพาะพุทธวจนะ คำสอนของพระสาวกในพระไตรปิฎกก็ไม่เอาจะว่าอย่างไรอัตมาเวลานั้นไม่ได้รู้เรื่องราวที่เป็นมาไม่รู้ว่าพระคึกฤทธิ์ทำเป็นเล่นหนังสือทำนองแทนที่พระไตรปิฎกโดยตั้งชื่อว่าพุทธวจนะก็ตอบไปตามหลักว่าการช่วยให้คนได้รู้ได้อ่านหรือเข้าถึงพระพุทธวจนะแสดงถึงการมีความปรารถนาดี และมีท่านที่เคยทำกันมาก่อนแล้วทั้งในเมืองไทยและในต่างประเทศนอกจากมีความปรารถนาดีนั้นแล้วในการทำงานที่ว่านั้นก็ต้องมีความรู้ความเข้าใจและทำตามวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องด้วยวันนั้นได้ตอบและอธิบายยกตัวอย่างไปตามสมควรในแนวที่ว่านี้แล้วพุทธศักราช2558ก็มาถึง คำอวยพรปีใหม่ก็ออกไปเวลาผ่านมาขึ้นเดือนกุมภาพันธ์วันหนึ่งอาตมาไปลงโบท์ที่วัดรักรูปหนึ่งนำเอกสารมาให้มีซีดีแผ่นหนึ่งด้วยเป็นเรื่องพระคึกฤทธิ์ท่านว่ามีญาติโยมฝากถวายและว่าญาติโยมเป็นห่วงเรื่องนี้มาก แม้ว่าอัตมาไม่มีเวลาสะดวกที่จะอ่านจะฟังเรื่องที่ญาติโยมผู้หวังดีฝากถวายให้จริงจังจนจบแต่ได้ดูบ้างเป็นตัวอย่างเอกสารที่ไม่มากนั้นมีหนังสือเล่มเล็กๆ เ, เล่มหนึ่งแนบมาด้วยวันหนึ่งอ่านพบในหนังสือเล่มเล็กนั้นชื่อว่าบทความเพื่อพุทธวจนะหน้า122ถึง123 พระมหาอุเทนปัญญาบาริทั์เขียนเล่าเรื่องว่าพระคึกฤทธิโสติพโลพูดถึงอัตมาท่านคัดคำพูดของพระคึกฤทธิจากเสียงในคลิปวิดีโอนั้นมาลงพิมพ์ไว้ว่าดังนี้แล้วที่อัดรเราไว้น่วมล่ะไม่มาขอโทษกันบ้างเลยเออในวงเล็บเสียงหัวเราะชอบใจและหนองป่าพงก็ยังเชื่อท่านประยุทธ์อยู่ถ้านหนองป่าพงเชื่อท่านประยุทธ น้องป่าพงก็เปลี่ยนความเชื่อด้วยนะน้องป่าพงต้องเปลี่ยนความเชื่อตามท่านประยุทธ์ใหม่ในตัวพุทธธรรมล่าสุดด้วยใช่ไหมอา้าวถ้าเชื่อแล้วว่าท่านถูกก็ต้องเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาตามท่านนะในวงเล็บทำท่าทางประกอบมือพลิกไปพลิกมาเปลี่ยนไปเรื่อยๆตามท่านอย่างนี้อ่าจุดจุดจุด ขออนุโมทนาท่านเจ้าของบทความในหนังสือข้างต้นกับทั้งอุบาสิกาบริษัทผู้รวบรวมบทความธรรมะไว้ที่ช่วยให้ได้ทราบว่าเรื่องยังไม่สงบยังไม่จบและพอจะรู้ว่ายังมีอะไรเป็นไปอย่างไรอย่างน้อยในช่วงเวลาหนึง่งตามคําที่พระคึกฤทพูดในคลิปข้างต้นนี้เข้าใจได้ว่าท่านหมายถึงเรื่องพุทธวจนะที่ตรัสถึงสิกขาบทเกินหนึอยห้ ที่ท่านได้ถือตามคำแปลที่ผิดพลาดไปว่า150ท้ทวนซึ่งได้เล่าเรื่องไว้ข้างต้นแล้วแล้วเรื่องก็ยุติจบไปตามหลักด้วยดีแล้วแต่พระคึกฤทธิ์คงยังไม่ชัดในความยุติ ต, ตามหลักที่ว่านั้นกลายเป็นเข้าใจว่ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรอีกในเรื่องนี้อีกข้อหนึ่งอันสำคัญซึ่งควรย้าให้ชัดไว้ที่นี่อีกครั้งหนึ่งด้วย คือมติของพระสงฆ์วัดหนองป่าพงอย่างที่เล่าแล้วตั้งแต่เริ่มเรื่องว่าทางวัดหนองป่าพงนั้นพระสงฆ์ท่านสืบค้นตรวจสอบหลักฐานคำแปลจำนวนสิกขาบทที่ถูกต้องได้ไว้แล้วและท่านก็ได้มีมติต่อพระครึกฤทธิ์เสร็จไปแล้วก่อนที่ท่านได้พบกับอัตมาการที่พระสงฆ์วัดหนองป่าพงพบปะไถ่ถามกับอัตมาหรือกับท่านผู้อื่นใดก็ตามหลังจากนั้น ก็คือเป็นการทํากระบวนการตรวจสอบให้รอบคอบเป็นที่มั่นใจมิใช่เป็นการที่ท่านจะต้องไปเชื่อไปทําตามหรือไปเปลี่ยนตามอัตมาหรือตามผู้ใดผู้ใดที่ท่านพบปากไถ่ถามซึ่งอยู่ข้างนอกแต่ยังใดเรื่องนี้ชัดอยู่แล้วเป็นการดีที่ได้รู้คําพูดของพระคริตริศในคลิปนี้มิใช่เพียงช่วยให้ได้รู้ข่าวกราวค ว, วามเป็นไปแต่ที่สําคัญอยู่ที่ทําให้ทราบว่า พระคึกฤทธิ์ยังคงเข้าใจเรื่องกลุ่มเคลือไว้เขวอยู่เป็นโอกาสที่จะได้ทบทวนความเข้าใจและบอกเล่าให้รู้เข้าใจเรื่องราวชัดเจนแจ่มแจ้งโดยเฉพาะในเรื่องความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ, างๆก็จะได้ทราบว่าเป็นความเปลี่ยนแปลงที่มีแต่ดีๆชัดเจนเป็นไปพร้อมด้วยเหตุผลทั้งนี้มิใช่เพียงทบทวนความเข้าใจแก่พระคึกฤทธิ์แต่ที่ดีแท้แน่จริงคือ เป็นความรู้พระธรรมวินัยเข้าใจหลักพระพุทธศาสนาที่จะเป็นประโยชน์แก่ประชาชนข้อนี้เกิดจุดหมายฉะนั้นการที่เขียนหนังสือนี้จึงเป็นส่วนหนึ่งของการเผยแพร่ให้ความรู้ความเข้าใจแก่พุทธบริษัทและประชาชนเมื่อประชาชนมีความรู้เข้าใจดีแล้วก็จะมองออกมองเห็นตลอดจนวินิจฉัยได้ด้วยตนเองว่าอะไรเป็นอะไร และสำหรับกรณีนี้เรื่องก็ไม่ยากหนะัก